มีหนังสือพิจารณาสุภาษณ์นะใครอยากจะได้ก็ไปดูอยากจะดูร่างกายของเราว่ามีอะไรบ้างก็เราไม่ค่อยเห็นร่างกายของเราเราชอบเห็นแต่ของอย่างอื่นแต่ของที่เรามีในตัวเราเรากับมองไม่เห็นกันไม่เห็นอาการสามสิบสองไม่เห็นผมขนเล็ดฟัน หนังเนื้อเอ็นกระโดดเห็นแต่หน้าตาเห็นแต่คิเห็นแต่ตาเห็นแต่จมูกเห็นแต่ปากแต่ไม่เคยเห็นอาการสาสิบสองไม่เห็นเนื้อหนังไม่เห็นเอ็นอยู่ใต้ผิวหนังมองไม่เห็นเลยมีต้องเยอะแยะของที่มีในร่างกายเรา ้ อ, องศึกษาดูการปฏิบัติธรรมนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นนักศึกษาแพทย์ต้องศึกษากายวิภาคศึกษาอาการสามสิบสองไม่ต้องศึกษาอะไรมากเพียงแต่ให้รู้จักมันเท่านั้นเองทำความรู้จักกับของที่มีอยู่ในตัวเราของที่มีในตัวเรา ที่เรามองไม่เห็นก็คือของที่อยู่ใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระดูกก็มีตั้งแต่กระโหลกลศีรษะลงไปถึงเท้าครงกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกแล้วก็ ภายในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกแล้วก็มีอวัยวะน้อยใหญ่มีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตพังผืดปอดตับลำไส้ลำไส้น้อยใหญ่ อาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในลใําไส้แล้วก็เยื่อในสมองศีรษะสมองอยู่ในศีรษะอยู่ในของในกะโหลกศีรษะแล้วก็น้ำชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสล น้ำดีน้ำเสจน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดมีในร่างกายของคนเราทุกๆคนที่เรามองไม่เห็นกันเราเลยหลงรัก หลงคิดว่าร่างกายนี้น่าดูน่าชมสวยงามแย่งกันฆ่ากันตีกันทะเลาะกันเพื่อแย่งร่างกายกันเห็นไหมพวกที่เขาไปเที่ยวตามบาร์ตามผับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กัดกันตีกันแย่งแย่งร่างกายกัน เหมือนสุนัขเดินก้าวนะก็เห็นสุนัขเดินก้าวนะมันจะกัดกันมันจะแย่งร่างกายของของสุนัขที่มันชอบของตัวที่มันชอบเพราะมันคิดว่าสวยงามน่าเกิดความใคร่ขึ้นมาเกิดความอยากได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเห็นอาการต่างๆภายใต้ผิวหนังเข้าไป มันจะทำให้ความรักใคร่นี่มันเบาบางลงไปความหวงความหึงมันจะเบาบางลงไปแล้วหมดไปถ้าเราเห็นเรื่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆการเห็นเพียงครั้งเดียวมันมันลืมได้อตอนนี้เราก็เห็นแล้วเนี่ยตอนนี้พูดให้เห็นภาพเราก็นึกภาพออกนะเห็นภาพต่างๆ เห็นวายวาต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายแล้วแต่พอเราไม่คิดถึงมันปั๊บเหมือนกับว่ามันหายไปเดี๋ยวพอไปมองใครก็เห็นว่าสวยว่างามน่ารักน่าใคร่น่ายินดีแต่อาการสาสองนี้มันเป็นอาการที่ไม่เล็ไม่ชอบ เวลาดูนี่มันจะดูยากเพราะวมันไม่ชอบดูถ้าให้เลือกระหว่างหนังสือแฟชั่นกับหนังสืออสุภาษนี่ลองเอาไปขายตามตลาดดยหนังสืออสุภาษกับหนังสือแฟชั่นหนังสืออสุภาษณ์อให้แจกฟรีก็ไม่มีใครเอาหนังสือแฟชั่นนี่เสียเงินก็ยินดีเสีย ถ้ามีรูปของคนหน้าตาดีๆแต่งเแต่งเสื้อผ้ า, าพรชุดต่างๆชอบดูภาพเหล่านั้นนี่เป็นกิเลสมันชอบอย่างนี้มันจึงทำให้ดูภาพอสุภะไม่ได้เพราะมันชอบดูสุภะสุภะแปลว่าสวยงามอสุภะแปลว่าไม่สวยงาม มันเลยดูไม่ได้ผู้ที่จะดูได้จึงต้องทำใจให้สงบก่อนต้องวางยาสลบให้กับกิเลสก่อนเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี้เป็นการวางยาสลบให้กับกิเลสให้กับตัวที่ไม่ชอบดูสุภาพอตัวที่ไม่ชอบดูสุภามันสงบลงมันก็ทำให้ดูได้ ดูแล้วก็ไม่รู้จักไม่รู้สึกอาการหดหูหรือขยะขยัองต้องดูมากๆดูบ่อยๆดูจนจำได้ดูจนกระทั่งไม่ต้องไปดูให้มันฝังอยู่ในหวัวฝังอยู่ในใจเราเหมือนการเหมือนกับตอนที่เราหัดท่องกอไก่ขอไข่นะ เราต้องท่องไปจนกระทั่งมันจําได้ให้มันอยู่ในใจเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูว่าเอกอไก่แล้วอะไรขอไข่ขอไข่แล้วขออะไรเออเราต้องท่องมันให้มันจําได้แล้วก็นึกภาพเออสุภะนี่เราต้องท่องชื่อมันแล้วก็นึกภาพไปให้จะได้เห็นชัดเออ อาการห้าอย่างนี้เห็นง่ายเพราะมันอยู่ข้างนอกคือผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นกันทุกวันแต่เราไม่เห็นมันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเราไปเห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรไปเป็นสัตว์เป็นแมวเป็นหมามันก็มีผมขนเล็บฟันเหมือนกัน เราไม่เห็นว่ามันเป็นอาการสามสิบสองเห็นว่าสวยว่างามว่าขนขนตัวนี้มามาตัวนี้ขนสวยอะไรทํานองนั้นหนังสวยหนังขาวหนังมีหลายสีมีสีขาวสีคํามสีดำ พอเห็นหนังสีดำก็ไม่สวยไม่น่ารักน่ารังเกียจคนเราบางทีโกรธกันเกลียดกันเพราะสีผิวนี่แหละไม่ได้โกรธเพราะว่าความดีความเชื่อของคนนั้นหรอกคนผิวสีดำนี่ต่อให้ดีขนาดไหนก็ถ้าคนเขาไม่รู้เขาก็จะเห็นทีแรกเขาก็จะรังเกียจทันที ต้องอยู่กันไปต้องดูนิสัยใจคอล้าอาจจะเห็นว่าเขานี่มีนิสัยดีกับคนที่ผิวสีขาวซะอีกแต่ถ้าให้ดูกันครั้งแรกนี่พอเห็นผิวสีผิวก็เกิดความลงเกียดเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาถ้าเห็นสีขาวนี่เกิดความรักกันขึ้นมาผิวขาว พผิวดำนี่เกิดความเกลียดขึ้นมานี่มันเป็นกิเลสความรักชังนี่ด้วยกลัวหลงเห็นพวกผิวดำก็กลัวละืดยไม่เช่นั้นก็หลงหลงรักหลงชั ง, งแต่ถ้าเราเห็นอาการสามสิบสองาการอยู่ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี่ เราจะเห็นว่าเหมือนกันทุกคนนะใต้ผิวหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกนะเพียงแต่กระดูกอย่างเดียวนี้ก็ยังไม่เห็นกันนะโครงกระดูกเนะี่ยร่างกายนี้ถ้าไม่มีโครงกระดูกจะเป็นยังไงคงจะเป็นเหมือนแมงกะพรุนใครเห็นแมงกะพรุนนะ แ, แมงกะพุ่นมันไม่มีกระดูกมันก็เลยมันก็เลยแบ่ ราบอยู่กับพื้นมันยืนไม่ได้มันยืนตั้งอย่างร่างกายของสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้ถ้าสัตว์ตที่มีกระดูกนี่เขายืนได้เาแต่พวกที่ไม่มีกระดูกนี่มันเป็นเหมือนวุ่น <c oughs> นี่ยการที่จะดูอสุภะ อสุภะการดูอสุภานี่เรียว่าการพิจารณาปัญญาันจะพิจารณาปัญญาได้เนี่ยจิตต้องสงบถ้าจิตไม่สงบนี่กิเลสมันจะมีกําลังมากมันจะต่อต้านมันจะไม่ให้ไปดูมันจะไปเปิดหนังสืออย่างอื่นดูหนังสือท่องเที่ยวหนังสือแฟชั่น เนอหนังสือสินค้าขายสินค้าต่างๆดูโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้ดูรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ดูอะไรได้หมดแต่อสุภาษ์นี่ตัวเดียวดูไม่ได้ท่านที่ปฏิบัติแล้วถามว่าจะพิจารณาปัญญาได้อย่างไรจะพิจารณาได้เมื่อไหรก่ก็ต้องรอให้จิตสงบ แล้วขณะที่สงบนั้นยังไม่ใช่เวลาพิจารณาเพราะกาลังสร้างกำลังกาลังให้ยาสลบ ก, กับกิเลสอยู่จะพิจารณาได้ต้องเสร็จจากการนั่งสมาธิก่อนจิตต้องออกจากความสงบก่อนเพราะถ้าไปพิจารณาตอนที่สงบความสงบก็จะหายไปแล้วถ้ากิเลสยังไม่ได้ถูก ถูกดมยาเต็มที่มันก็ยังไม่สลบพอหยุดพอหยุดพอเริ่มพิจารณาปักกิเลสมันก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนั้นเวลานั่งสมาธิจึงยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิจารณาทางปัญญาจะพิจารณาทางปัญญานี่ต้องรอออกจากสมาธิก่อนเหมือนกับการชาติแบบเนี่ยถ้าเราชาต์แบบ ถ้าเราต้องการที่จะเอาแบตนี้เอาเอาเครื่องนี้ไปใช้ที่อื่นก็ต้องเดินทางไปในที่ที่ไม่มีที่ชาร์จนี่เราก็ต้องชาร์จแบตให้มันเต็มก่อนพอแบตเต็มแล้วเราก็สามารถเอาเครื่องไปใช้ไหนไปใช้ไปใช้ตามที่ต่างๆได้ถ้าเราใช้ไปในขณะที่ชาร์จแบตนี่มันมันจะไม่ได้ชาร์จเก็บเอาไว้เพราะจะใช้ไปหมดพร้อมๆกัน อันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างความสงบม า, ารังงับกิเลสตัณหาความอยากความรักความชางังความกลัวความหลงเนี่ยถ้าไม่มีความรักความชังแล้วมันจะพิจารณาอสุภะไม่ได้เพราะมันรักของที่สวยงามมันชังของที่ไม่สวยงาม เราต้องทำให้มันเป็นอุเบกขาก่อนการนั่งสมาธินี้เป้าหมายคือสร้างอุเบกขาให้ใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่หลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นสุขความว่าหลงนี่ก็คือคือการไม่เห็นการไม่เห็นอนิจจังทุกขานะอนัตตาคือความหลง ไปเห็นนิจจังสุขขังอัตตาจิตปกตินี้จะจะเห็นต่างเห็น ส, สิ่งต่างๆว่าเป็นนิจจังเป็นของถาวรเอเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นของเราแต่ของทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวแล้วก็ถาวรชั่วคราวจะถาวรไปได้นานไม่นานก็ไม่มีใครรู้ ซื้อโทรศัพท์มาเครื่องอนึางนี่บางทีใช้ไปได้หลายเดือนหลายปีบางทีใช้ไปได้ไม่กี่วันเอาเสียสะแล้วนี่อันนี้จังแต่เรามักจะคิดว่ามันเป็นนิจจังซื้ออะไรมาแล้วก็จะใช้ไปได้ไปตลอดมีอะไรเราจะต้องเปิดีไปตลอด นี่คือจิตของผู้ที่ไม่มีความสงบเห็นอะไรก็จะรักถ้าไม่รักก็ชังไม่ชังก็กลัวไม่กลัวก็หลงหลงว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เห็นร่างกายก็หลงว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นที่ดาเป็นเพื่อนเป็นหญิงเป็นชายนี่ก็คือความหลงเองละ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 น้ำข่ายข้อน้ำมูดเนี่ยนี่คือร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายอันนี้ไม่มีพ่อมีแม่อยู่ในร่างกายอันนี้พ่อแม่เป็นคนใช้ร่างกายนี้พ่อแม่ <c oughs> พ่อแม่อยู่ที่ใจออกมาจากใจ ใจฟื้นฟูใช้ร่างกายสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้ไปไหนมาไหนให้ไปดูไปฟังอภิจน า, าอาการสาสบสองแล้วก็จะได้เห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในอาการสาสบสองนี่เหมือนกับเวลาที่เราลืมกุญแจไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเรา คิดว่าลืมไว้ในกระเป๋าเราอยากจะหากุญแจเราคิดว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราก็ต้องไปลื้อกระเป๋าออกมาดูเทมันออกมาของนี่อยู่ในกระเป๋ามีลายเทมันออกมาให้หมดจะได้เห็นว่ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเวลาเราหลงก็แบบเดียวกันเราไปหลงว่าพ่อแม่ของเราอยู่ในร่างกาย หรตัวเราอยู่ในร่างกายเราก็ต้องเข้าไปค้นในร่างกายดแูแล้วตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ตรงไหนมีหรือเปล่าค้นเข้าไปในร่างกายให้หมอค้นให้ก็ได้นักศึกษาแพทย์ค้นให้ก็ได้ถามหมอว่าตัวฉันอยู่ในตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายบนะ้างไม่มีมีแต่อาการสามจุดสองไอตัวเรานี่หน้าตาเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เลย เราเคยเห็นหน้าตาตัวเราหรือเปล่าตัวเราที่คิดว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยเราก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราขึ้นมาเวลามองกระจกก็เห็นร่างกายเราก็ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาสั่งให้ร่างกายยิ้มเราก็คิดว่าเรายิ้มความจริงเราสั่งให้มันยิ้มสั่งให้ร่างกายยิ้มสั่งให้สั่งให้ร่างกายแยกเขี้ยว เวลาดูกระจกนี่บางทีเราก็ยิ้มใส่มันนะบางทีแล้วก็ยากเขี้ยวใส่มันตัวที่สั่งให้ร่างกายยิ้มตัวที่สั่งให้ร่างกายแยากเขี้ยวมันไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เชื่อไหมลองไปค้นหามันดูนะแต่นักนักวยาศาสตร์พวกหมอนี่เขาคิดว่าอยู่ในสมองว่าตัวเรานี้เอาเออกมาจากสมองะ สมองเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราคือสมองอยเวลาสมองตายไปเราก็ต้องตายไปกับสมองถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วใครจะไปเกิดใหม่แล้วการเกิดมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเรืเกิดพ่อมีพ่อมีมแม่เขาก็คิดว่าร่างกาย เรามาจากพ่อจากแม่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เรามาจากกรรมมาจากการกระทามาจากความอยากเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดกรรมก็คือความอยากต่างๆนี่ พออยากแล้วมันก็ทำมีการกระทำขึ้นมาความอยากก็เป็นการกระทำทางใจแนละ้วอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากจะดูรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมกูกฟินาตอันฉะนั้นถ้าเราศึกษากายวิภาคแล้วพิจารณาร่างกายพิจารณาการสิบสองนี้เราจะได้มีข้อสรุปว่าไม่มีตัวเราในร่างกายนี่ พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ว่าเราอยู่ในสมองก็พิสูจน์ไม่ได้เพียงแต่ตั้งทฤษฎีขึ้นไปฉะนั้นเองว่าสมองเป็นผู้คิดผู้สั่งการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นชัดว่าผู้สั่งการคือผู้รู้ผู้คิดนี้กับร่างกายนี้ เป็นคนเราส่วนกันแยกกันออกจากกันเวลาใจสงบนี้ใจจะถอนตัวออกจากร่างกายถอนการไปรับรู้ข้อมูลต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายขดเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในใจแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับร่างกาย ไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายถ้ามันรวมเต็มที่นี้ร่างกายจะหายไปจากการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะหายไปเหลือแต่ผู้รู้อยู่ผู้คิดก็หยุดคิดนี่แหละคือตัวที่ผู้คิดออกมาคิดแล้วพอมีความคิดก็คิดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส คิดว่าเราเป็นร่างกายคิดไปต่างๆนานาเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองที่มาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราว่าราก็ไปคิดว่าร่างกายสวยงามเพราะเห็นเพียงแต่ส่วนที่อยู่ภายนอกจึงต้องพยายามพิจารณาดูเรื่อยๆการพิจารณาร่างกายพิจารณาการสามสิบสอง จะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเพียงอาการต่างๆสามสิบสองอาการเราก็จะได้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามไม่น่ารักน่าใคลไม่น่าปรารถนาที่จะอยู่ด้วยอยู่ใกล้ด้วย จะดูได้อย่างต่อเนื่องนี่ต้องใจต้องไม่มีกิเลสใจต้องสงบ ก, กิเลสต้องอ่อนกําลังลงแต่ว่าไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่เพราะกิเลสมันยังไม่ตายจากการทําใจให้สงบแต่กําลังของกิเลสที่มันต่อต้านการพิจารณาทางปัญญานี้มันจะน้อยลงไปถ้าจิตมีความสงบมีอุเบกขาความรักความชางังความกลัวความหนงนี่มันจะ เบาบางลงไปมันจะทำให้สามารถมองในสิ่งที่กิเลสไม่ชอบมองได้คดูมองในส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วก็จะไม่เกิดอาการต่อต้านขยะขขยัขย่งรังเกียเพอเวลาจิตสงบนี่ความชังมันจะเบาลงความรักความชัง ความกลัวความหลงมันจะเบาลงมันจะไม่ออกมาต่อต้านมันก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาอัุภะหรือพิจารณาความตายได้เมื่อเชานี้ก็มีคำถามทางไลายเข้ามาถามว่าพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายจนกระทั่งเกิดอาการหดหูใจเกิดอาการเบื่อหน่าย อยากจะตายถ้าเกิดอาการเหล่านี้แสดงว่าไม่มีความสงบตัวเชาะความชังโผล่ขึ้นมาแล้วตัวชังนี่มันเกียดความความตายความแก่ความเจ็บพอไปพิจารณาความแก่ความเจ็บมันก็เกิดอาการหดหู่เกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาแสดงว่าต้องหยุด พิจารณาก่อน ถ, ถ้าเป็นคนไข้ก็กำหมอกาลังผ่าตัดอยู่แล้วคนไข้เริ่มรู้สึกตัวเริ่มดิน้นหมอก็ต้องบอกว่าต้องเพิ่มยานมยาสลบก่อนให้คนไข้นิ่งก่อนถึงจะผ่าได้อันนี้ก็แบบเดียวกันเวล า, ลาพิจารณาทางปัญญานี่เหมือนกับการผ่าตัดร่างกาย ร่างกายจะผ่าตัดได้นี่ต้องดมยาก่อนให้สลบสลายไม่ให้มีไม่มีปฏิกิริยากับกับการผ่าตัดถ้ามีความรู้สึกนี่พอพอหมอผ่าปับมันจะเจ็บมันก็จะลิ่นทันทีหมอก็จะผ่าไม่ได้ถ้าคนไข้ยังลิ่นอยู่นี่หมอก็ไม่ผ่าเราต้องเราต้องดูว่าทา เขย่าร่างกายแล้วคนไข้ก็ไม่ดิน้นไม่มีอะไรนี้เขาถึงจะเริ่มผ่าได้แล้วผ่าไปเขาก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆเขายิ่งต้องมีหมอดมยาคอยคอยติดตามอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาทางปัญญาแล้วเกิดผลเสียหายขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี้แสดงว่าสมาธิเราอ่อนไปแล้วหรือเรา ให้ยาแรงเกินไปพิจนามากเกินไปใจรับไม่ได้สมาธิไม่มีกำลังพอที่จะรับการพิจารณาได้อาจจะรับ พ, พิจารณาได้ในช่วงแรกๆช่วงที่ออกจากสมาธิมาใหม่นี้มันเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นนี้น้ำมันยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวน้าเย็นมันก็จะค่อยๆหายเย็น มันก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาได้ใจก็เหมือนกันใจเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆนี้มันยังมีอุเบกขาอยู่ยังมีความเย็นยังความรักชังโกหลงนี้ยังไม่มีหรือมีน้อยมากเพราะยังไม่ได้มีกำลังมรรถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้แต่ถ้าออกมาพิจารณามาคิดอะไรอยู่สักพักแล้วเดี๋ยว มันก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาเราคึงพิจารณาปัญญาได้เชื่อขณะที่มันใจเย็นใจไม่มีปฏิกิริยาต่อาการพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วเกิดใจร้อนขึ้นมาเนี่ยต้องหยุดแล้วต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องทำใจให้สงบทำใจให้มีอุเบกขาขึ้นมาใหม่เวลาอุเบกขาหมดแล้วก็แสดงว่าต้องกลับเข้าสมาธิ ถ้ามีความรักความชังความกลัวความหลงในระหว่างที่พิจารณาอยู่ก็ต้องหยุดพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายแล้วกลัวขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่าเป็นความจริงกลับเกิดความกลัวขึ้นมาแสดงว่ากิเลสมันต่อต้านมันปฏิเสธกิเลสมันไม่ยอมรับความจริงมันไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายพอพิจารณาแล้วมันก็เกิดความกลัวขึ้นมา เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็ต้องหยุดก่อนอออการพิจารณาปัญญานี้มันค่อนข้างที่จ ะ, ะละเอียดก่อนไม่รู้จะไม่รู้ว่าพิจารณาอย่างไรเพื่ออะไรแล้วพิจารณาเวลาไหนแล้วพิจารณาได้นานแค่ไหนถ้าไม่มีสมาธิไม่มีเบิกขานี่ จะหนึ่งมันเนพิจรารณาทางปัญญานิยกเพราะสิ่งที่ต้องพิจรารณาเพื่อให้เกิดปัญญานี้เป็นสิ่งที่กิเลสไม่ชอบให้พิจรารณาความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ชอบให้พิจรารณาการพลาดพลาดจากการมไม่ชอบให้พิจรารณาความทุกข์ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆมันไม่ชอบให้พิจรารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายมันก็ไม่ชอบ ให้พิจารณาความสกระปกของอาหารความน่าเกลียดของอาหารก็ไม่ชอบชอบพิจารณาความสวยงามความน่ากินของอาหารชอบดูอาหารในจานแต่ไม่ชอบดูอาหารในปากในท้องในลำไส้นี่เรเรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาการสาสก็ต้องพิจารณาอาหารใหม่อาหารเก่า เวลารับประทานก่อนรับประทานอาหารนี้ถ้าพิจารณาดูอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วมันก็จะทำให้ความอยากกินนี่มันลดลงไปเยอะเลยมันจะไม่ได้กินด้วยความอยากมันจะกินด้วยความถูกบังคับให้กินถ้าเห็นอาหารในจานนี้กลายเป็นอาหารในลาไส้ขึ้นมาเป็นอาหารอาหารในในท้องอาหารที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะทาให้ไม่อยากกินเลย ต้องบังคับกินกินแบบบังคับถ้ากินแบบบังคับมันจะกินไม่มากกินเพื่ออยู่กินเหมือนกินยาเวลาเรากินยาเราก็ต้องบังคับกินเหมือนเพราะเราไม่อยากจะกินยากันแต่เรารู้ว่าถ้าไม่กินร่างกายก็จะไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่คือเรื่องของปัญญาที่ต้องมีสมาธิต้องมีอุเบกขาก่อน ถึงพิจารณาได้พิจารณาได้นานพิจารณาเพียงแค่แวาบๆนี้มันยังไม่ถือว่าพิจารณาอะท่องอาการสามสิบสองไปหนึ่งรอบจบล้วแต่ว่าเสร็จแล้วเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ยวพอมองเห็นร่างกายก็เห็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาไปล้วไม่ได้เห็นว่ามันเป็นแค่อาการสามสิบสอง ที่จะต้องเสื่อมสลายไปเป็นดินน้ำลมไฟไป น, นี่คือเรื่องของปัญญาเช่นอาสุภะเนี่ยเราจึงต้องอาศัยสมัยนี้เรามีหนังสือเราไม่ต้องไปเยี่ยมป่าชา้าสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีหนังสือไม่มีภาพ ของคนของอาการของคนของอวัยวะต่างๆเพราะจะดูอวัยวะต่างๆนี้ต้องดูขอ ง, ของคนตายคนเป็นเราดูไม่ได้ผ่าเขาออกมาดูไม่ได้แตนะ่สมัยนี้เขามีภาพถ่ายมีภาพวาด อ, อวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายนะเราควรเปิดดูบ่อยๆ แต่ไม่รู้นะว่าเอาไปแล้วจะเปิดดูกันหรือเปล่าอาจจะเปิดดูกันแค่หนเดียวถ้าจะเป็นปัญญาต้องเปิดดูทุกวันวันละทุวันละหลายหลายครั้งเวลาอยากจะดูอะไรก็เปิดดูไว้นี่แทนอยากจะดูทีวีอยากจะดูหนังดูละครดูหนังสือแฟชั่นดูหนังสือเกี่ยวกับช้อปปิ้งต่างๆกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า สินค้าต่างๆที่บริษัทขายของเหล่านี้เขาเอามาโฆษณาแจกเนี่ยให้ไปดูอสุภะแทนดูภาพอาสุภะดูให้มันจดจำให้ได้ดูจนกระทั่งไม่ต้องเปิดดูเหมือนท่องกรรไกเจนกระทั่งไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูท่องสูตรคูณเลยที่ไม่ต้องไปเปิดดูจำได้ ถ้าจําได้แล้วทีนี้มันก็จะอควบคุมการอารมณ์ได้เวลาเกิดความอารมณ์ขึ้นมาก็เลีกเตือนวัตถุภาพปั๊บมันก็ดับละหรือเวลาหิวอยากกินอาหารโดยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกินเช่นพวกที่กินมื้อเดียวเนื้อกินกินแค่เที่ยงวันนี้พอตกเย็นนี้มันจะหิวขึ้นมา นึกถึงปฏิกูลของอาหารนึกถึงภาพที่สกปรกของอาหารอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในลำไส้อาหารที่อยู่ในกระเพาะพอ เ, เห็นภาพของอาหารเหล่านั้นมันก็จะทำให้หายหิวถือศีลแปดได้ถือทุดงกินมือเดียวได้พอเวลาเกิดความหิวอยากอาหารขึ้นมาก็ให้นึกถึงปฏิกลูน พอนึกถึงปฏิกลเนี่ยเห็นภาพของอาหารที่อยู่ในปากหรือที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมาเนี่ยเห็นแล้วมมันไม่น่ากินเลไม่เหมือนตอนนี้มันอยู่ในจานจะเห็นภาพตอนนี้ได้ต้องใจต้องมีอุเบกขาต้องมีสมาธิถ้าไม่มีอุเบกขามันต่อต้านมันชังมันเกลียด เกลยดอาหารที่อยู่ในกระเพาะลาไส้เกลยดอาหารที่อยู่ในปากมันชอบมันมันรักอาหารที่อยู่ในจานเห็นไหมอาหารนี่ก็าประดิษฐ์ประดานสวยงามเวลาอยู่ในจานนี่มีมีสีสันต่างๆดูแล้วเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะพอเข้าไปในปากน้ํน้ำลายหายไหลนะอันนี้คือวิธีแก้ ความอยากต่างๆความอยากนี่เกิดจากการที่เราไปเห็นของที่เราของที่สวยงามของที่น่าน่าดูน่าชมน่ารับประทานถ้าไม่อยากจะอยากก็ต้องไปดูตอนที่มันไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่ารับประทานเป่นร่างกายคนก็ดูอาการ32ดูตอนที่ตายแล้ว ทำไมก่อนเข้าศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้าพาพต็ไปเยี่ยมป่าชา้าไปดูศพกันจะได้รู้ว่านี่แหละคือร่างกายที่เรารักกันหวงกันฆ่ากันตายแย่งกันก็คือร่างกายอันนี้เองพอไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่มีใครอยากได้แนละ้วถ้าเรากำจัดพวกกามเหล่านี้ได้เนี่ย เราไม่ต้องกลับมาเกิดในการมโลกอีกต่อไปการมาพบการมาพบก็คือพบที่ที่ผู้เสพกามอยู่กันมีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่มีความสุขกับส่วนที่มีความทุกข์เนียส่วนที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์เคือพวกเทวดาพวกเทวดาก็ยังเสพกลางอยู่สเสพรูปเสียงกลิ่นรสคำว่ากามก็คือกลางมคุณทั้งห้า กามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเทวดาก็เสกกามคุณห้ามนุษย์ก็เสกกามคุณห้าเบลอาชานก็เสกกามาคุณห้าในอสุร ก, กายหรือพวกที่อยู่ในนรกก็เสกกามาคุณห้าเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นอสุภะยังไม่เห็นความสกรปรกของอาหาร ยังไม่เห็นความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราไม่เห็นการสิ้นสุดของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏะนี่มีเกิดแล้วก็มีดับมีมาแล้วก็มีไปเห็นภาพสวยๆงามๆปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วได้ยินเสียงสวยๆได้ยินเสียง ดีเดี๋ยวสักพักก็หายไปแล้วแต่มันพอมันหายไปมันก็เกิดความอยากที่จะเสพใหม่มันก็เลยติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเสพปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเห็นรูปปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วได้ยินเสียงปั๊บมันก็หายไปแล้ว ความสุขที่ได้จากการเห็นจากการได้ยินก็หายไปพร้อมๆกับเสียงกับภาพก็เลยทาให้เกิดความอยากที่จะเสกอีกเนี่ยก็ต้องเสกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นของชั่วคราวถ้าเสกแล้วก็ต้องเสกอยู่เรื่อยๆแลวเวลาจะเสกแล้วไม่ได้เสกก็จะทุกข์ เราดูอย่างนี้หรือถ้าเป็นร่างกายก็ดูว่ามันไม่สวยงามเราจะได้ไม่อยากจะได้ร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราแล้วต่อไปเวลาไม่มีร่างกายคนอื่นเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราต้องมีร่างกายคนอื่นมาให้ความสุขกับเราเราก็จะทุกข์เวลาเขาจากาไปพะาจากไปเดี๋ยวไม่นานก็หาร่างกายใหม่มาแทนอีกหาคนใหม่มาแทน หาไปกี่คนก็เหมือนกันเพราะร่างกายทุกคนมันก็ต้องมีการพัดพากจากกันไปแต่ถ้าพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากได้นี่มันก็จะทำให้เราหายอยากต่อไปเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเพราะความอยากมีเพื่อนมีแฟนมันไม่มีมันเห็นว่าเป็นผีเป็นอาการสาสิบสอง มันก็จะไม่รู้สึกเหงาว้าเหว่เวลาไม่มีความอยากมีแฟนมันจะไม่ไม่เหงาไม่ว้าเหว่เวลาอยู่คนเดียวที่มันว้าเหวเพราะมันมีความอยากได้แฟนอยากได้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขก็เลยเกิดความว้าเหวเวลาไม่ได้เวลาต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราเห็นว่าคนที่เราอยากได้มานี้มันไม่สวยงามมันน่าเกลียดขยะขยะง มันเป็นเหมือนศกที่ยังไม่ยังหายใจอยู่เท่านั้นเองมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้หายอยากพอหายอยากแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆคนเดียวได้ไม่รู้สึกหงุดกงิดลำคาญใจไม่รู้สึกว้าเวไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเงาถ้าไม่มีความอยากในในรูปเสียงกลิ่นรสชา ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นวะไม่ต้องเกิดมาเกิดในกามาภพแต่ยังไม่หมดยังมีภพอื่นที่ยังติดอยู่ก็ยังติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพอยู่ยังมีความอยากหาความสุขจากรูปภพอรูปภพอยู่อันนั้นก็ต้องไปตัดความอยากเหล่านั้นต่อไปแต่ขั้นต้นนี้ตัดความอยากทางร่างกายให้ให้หมดไป แม้ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยตัดมันไปให้หมดถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อแก่มาเจ็บมาตายไปเกิดเป็นพรมไปติดอยู่กับความสุขของพรหมอรูปภพกับอรูปภพก็คือสวรรค์ชั้นรูปประภมกับอรูประภมเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากฌานนี่เอง ก็จะไปติดความสุขในชาญก็ต้องไปพิจารณาว่าชาญมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกับร่ง า, กกางกายเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเกิดแก่เจ็บตายชานก็มีการเกิดการดับมีการเจริญมีการเสื่อมเวลาชานเจริญก็สุขเวลาเชิญชาญเสื่อมก็จะทุกข์ก็ต้องเลิกเสือเลิกเกเสียอชาญ แต่ไม่ต้องไม่ต้องไปเสพฌานไม่ต้องไปติดกับความสงบจิตไม่สงบก็ก็ไยไม่สงบไปมันสงบก็ปอยมันสงบไปให้รู้ตามธรรมชาติของมันว่ามันไม่เที่ยมมันขึ้นๆลงๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากฌานเราก็จะไม่ทุกข์กับฌานเวลาที่ฌานมันเสื่อม เหมือนกับที่เราทุกกับร่างกายที่เราไม่ทุกกับร่างกายเวลาที่ร่างกายของคนที่เราเสพนั้นเสื่อมไปถ้าเราไม่ไปมีความอยากที่จะเสพร่างกายของเขาแล้วเขาจะเป็นเขาจะตายก็เราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ต้องเสพชาดไม่ต้องเสพรูปประชานรูปประชานเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่รูปประชานหรืออรูปประชานเสื่อมไป คือให้อยู่เฉยๆให้อยู่กับอุเบกขานั่นเองทำใจให้เฉยๆอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับอะไรทั้งสิ้นถ้าเราได้ยูปถ้าเราได้อุเบกขาแล้วจากสมาธิเราก็หัดเวลาออกจากสมาธิมาเราก็พยายามรักษาอุเบกขานั้นไว้ด้วยการหยุดความคิดปุ่มแต่งหยุดความอยากต่างๆตัวที่จะมาทำลายความ อุเบกขาของเราหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็คือความอยากต่างๆนี่กิเลสตัณหาความหลงก็ต้องใช้ปัญญาค่อยสกัดมันพอไปรักอะไรก็ต้องตัดมันอย่าไปรักชังอะไรก็ต้องตัดมันอย่าไปชังเพราะมันจะทําให้ใจเราวุ่นวายเวลาไปรักไปชังขึ้นมาถ้าไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจก็จะ เฉยสบายอันนี้ไม่ได้มันเป็นความสงบอีกแบบหนึ่งเป็นความสงบโดยที่ไม่ต้องไปเข้าในสมาธิเพียงแต่ทำใจให้เฉยเฉยไปกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้จะเฉยได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาคอยคอยสกัดความอยากต่างๆคอยฝืนกับความอยากต่างๆ เผื่อเกับความรักความชังความกลัวความหลงรักอะไรก็ไม่รักชังอะไรก็ไม่ชังต้องหยุดบันทันทีพอชอบอะไรก็ต้องหยุดบันทันทีพอชังอะไรก็ต้องหยุดบันทันทีพอกลัวอะไรก็ต้องหยุดบันทันทีอย่าให้มันกลัวพอหลงไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ก็หยุดบันทันทีว่มันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นมันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟ ของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเพียงดินน้ำนมไปมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรที่เราจะไปควบคุมมังครับไปรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไปเหมือนดินน้านมเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแล้วก็ไปแดดออกแล้วก็ไปสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้ เราไม่สามารถที่จะเก็บอะไรไว้เป็นของเราได้เหมือนกับเมฆนี่เราไปจับเมฆได้ไหัหยควันนี่เราไปจับได้ไม้มจับควันออกมาเก็บไว้ในกระเป๋าในกระป๋องได้ไหมวะนั่นแหละของต่างๆมันเหมือนควันเหมือนเมฆเรามันมาแล้วมันก็ไปไปแล้วมันก็มาไปไปมามาเราเก็บอะไรไว้ไม่ได้เลย เราเกิดใจพื่อร้พวกคิดนี้เก็บอะไรไว้ไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ไปอยากได้อะไรใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะสบายถ้านั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องการคือความสบายใจถ้ามีความสบายใจแล้วใจจะไม่ไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรใจไม่ต้องการใจไม่ต้องมีอะไรมีแล้วทุกข์ เพราะว่ามีแล้วมันก็ต้องพัดเมื่อเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันพอจากกันก็ทุกเวลาที่ยังไม่จากกันก็ทุกกลัวจะจากห่วงห่วงขึ้นมาเวลาไม่มีก็อยากได้ขึ้นมาก็ทุกอีกนั้นต้องตัดมันเวลาอยากได้ก็ต้องตัดมันเวลาห่วงก็ต้องตัดมันห่วงก็ต้องตัดมัน สอนใจให้รู้ว่าใจไม่ต้องมีอะไรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับใจก็คือความว่างสอนให้ใจหัดอยู่กับความว่างให้ได้อยู่คนเดียวให้ได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีมีร่างกายก็ต้องทุกกับมัน ก็ต้องเรี้ยงดูมันต้องดูแลมันแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็แก่จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ลำบากแล้วเดี๋ยวก็ตายสิ่งที่มีประโยชน์กับใจมียงเพียงอย่างเดียวนันก็คือความว่างความไม่มีอะไรนี่แหละคือคือสิ่งที่มีคุณค่ากับใจที่สุด ใจที่อยู่กับความว่างได้นีท่านยังเรียกว่านิพานนะนิบานังปรมังสนิยังนะปรมังสนิยังก็คือความว่างอันยิ่งใหญ่ความว่างครบความว่างเต็มร้อยเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีลาบยศสารเสริญไม่มีสามีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีอะไรทั้งนั้น ต้องอยู่แบบไม่มีให้ได้อยู่แล้วจะมีความสุขมากเพราะมันความว่างนี่มันจะไม่มีวันมันไม่มีวันดับไม่มีวันเกิดมันไม่มีวันหายไปมันว่างอยู่ตลอดเวลาอืความว่างนี้แ่ละที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการไม่มีอนิจจาม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีอนิจจายู่ในความว่าง ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีอนิจจามีมีมีทุกขังมีอนัตตาอยู่ทุกแในทุกสิ่งทุกอย่างมีความว่างเท่านั้นที่ไม่มีไม่มีความทุกข์เห็นถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องหัดอยู่กับความว่างให้ได้ถ้าอยู่กับความว่างได้ก็จะได้นิบานังบามังสุขขังนิบานังบามังสุ่างคือจิตที่อยู่กับความว่าง จิตที่อยู่กับความว่างก็จะได้บาลมังสุขขัขงบรมมะสุขจิตที่อยู่กับความว่างได้ความว่างบรมมว่างได้นิบานังบปลมังสุญยังคือจิตที่อยู่กับความว่างเป็นจิตที่มีความสุขมากนิบานังบาลมังสุขขัง นี่แคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระสาวกทั้งหลายท่านอยู่แบบนี้ท่านอยู่กับความว่างท่านไม่มีความต้องการลาบยศจรเสริญไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องการสามีภรรยาไม่ต้องการบุตรธิดาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆไม่ต้องการแหวนเพชรสร้อยเพชรไม่ต้องการ อ, อ, อะไรละทั้งหลายแหลที่มีอยู่ในโลกนี้ ขอของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปนี่คือปัญญาที่เราต้องพยาเวลาใจเราอยากจะได้อะไรเวลาเกิดความรักชังกลัวหลงก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเป็นอสุภะไป เป็นปฏิกรูไปแล้วความอยากมันก็จะหายไปแล้วก็จะอยู่กับความว่างได้ถ้าอยู่กับความว่างได้ก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความว่างมันไม่มีวันจากเราไปเพราะมันไม่มีอะไรจะจากอะไรความว่างมันจะจากเราไปได้เลยอันนี้แหละเป็นปริศนาของชีวิตที่มนุษย์ไม่เข้าใจกัน มนุษย์กลับไปคิดว่าต้องมีมากๆถึงจะมีความสุขยิ่งมีมากยิ่งมีความสุขมากแต่ความจริงยิ่งมีมากยิ่งทุกมากยิ่งมีน้อยยิ่งทุกน้อยยิ่งไม่มีเลยยิ่งไม่ทุกเลยให้คิดแบบนี้งั้นเราเอาไปทําดูมีอะไรตอนนี้โยนทิ้งไม่ได้โยนทิ้งไปเลยแล้วดูซิว่ามันจะมันจะสุขหรือจะทุกข์กันเนะ่ไม่มีแล้วจะสบาย เนี่าคบนเขานี่ไม่มีไฟฟ้าสบายไฟดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไฟดับไม่ดับไม่ไม่เป็นปัญหาพวกที่ใช้ไฟฟ้านี่พอไฟดับดูเลยวุ่นกันเลยโทรหาหาช่างหาอะไรกันมาเช็คกันใหญ่ทําไมไฟดับพอไฟดับตู้เย็นก็ไม่ทางานแอร์ก็ไม่ทางานจะชาร์จแบตก็ชาร์จไม่ได้โอ้ตายเลยเนี่ยเทุกข์ไหมวุ่นวายกันไย ล อ, ลองในเมืองนี่ถ้าเกิดไฟดับสั้งวันหนึ่งสักยี่บสี่ชั่วโมงนี้คงจะตายกันเยอะแยะนะตายด้วยทางใจตายตายด้วยความทรมานใจเพราะเหมือนกับขาบดลมหายใจของใจเออยไฟฟ้านี่เปนเหมือนลมหายใจของใจเลยพอยไม่มีไฟฟ้าจะไปเติมน้ำมันก็เติมไม่ได้ฟารมน้ํามันมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าเอรถก็จะวิ่งไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีน้ํามันจะวิ่ง ตายหมดหมดหม ด, หมดทุกอย่างอแต่พวกที่อยู่บนเขานี่เหมือนก็เดือดร้อนเลยแล้วเขาก็ไม่มีตู้เย็นเขาก็ไม่มีแอร์เขาก็ไม่มีเขาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยบนเนี่ยไฟฟ้านี่ก็ไฟปลอมเนี่ยไฟไปชาร์จมาชาร์จเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดไม่มีไฟฟ้าอยู่ได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่พวกที่ใช้ไฟฟ้านี่เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลย น, นี่แหะเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างการอยู่แบบมีกับไม่มีอันไหนจะดีกว่ากันเนีพวกที่อยู่บนเขานี่เขาอยู่ได้เพราะเขาควบคุมความอยากได้ความรักชังกลัวหลงได้เขาเข้าสมาธิอยู่เรื่อ ย, อยพอรักชังกลัวหลงเกิดขึ้นมาก็เข้าห้องยานมยาสลบไปทําให้ตัวรักชังกลัวหลงมันสงบไปชั่วคราวเดี๋ยวพอออกมามันพอรักชังกลัวหลงอีก ก็หัดใช้ปัญญาหยุดมันฝืนมันมันรักก็อย่าไปรักมันชังก็อย่าไปชังเดี๋ยวมันความรักชังโกหลงมันก็จะหมดกำลังไปแล้วพอไม่มีรักชังโกหลงแล้วก็อยู่สบายอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรเน้่แต่ร่างกายมีก็มีไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนมีก็เลี้ยมันไปไม่มีมันจะตายก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ได้ใช้มันอยู่แล้ว นลัาไปหัดดูนอนกลับไปบ้านดูวันนี้จะทิ้งอะไรได้มีของเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราดูด้วยว่าความทุกข์มันจะน้อยลงโนนจะมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทุกข์กับไอ้นี่ยไม่ต้องทุกข์กับไอ้นี่มีแล้วทุกข์ี่วงหวงล้ว อ, อยู่แบบแบบคนที่เขาไม่มีการอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแค่8ปดชิ้นนะสมบัติ ที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ถ้ายัางต้องเรียกร่างกายอยู่มีบาตหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีที่รัดเข็มรัดเข็มขาดหนึ่งเส้นแล้วก็มีใบมีโกรมิโกรนไว้สำหรับกรนหนวดกรนผมมีเข็มก็ได้ไว้สำหรับประชุนซ่อมกีวรเวลามันขาดแล้วก็มีที่กองน้าเวลาตักน้าจาก ในบือในสามจะได้มีตาเก่ตัวน้ําขึ้นมาถ้ามีที่กรองเนี่ยคือสมบัติของคนที่มีนิบบานังปรมังสูญอย่างใจของท่านไม่ต้องมีอะไรที่มีก็มีเพื่อร่างกายเท่านั้นเองมีเพื่อร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเอาข่าวดีมาบอกพวกที่พวกเราที่ทลุ่มหลงกันว่าต้องมีอะไรมากๆถึงจะมีความสุขให้รู้ว่ายิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์ ถ้าไม่มีแล้วจะมีความสุขลองกลับไปลองทิ้งแฟนดูเลยตัวเนี้ตัวสำคัญมันมีเอ า, อาสุภาพไปคิดบ่อยๆแล้วตัดมันทิ้งไปเลยแล้วดูซะว่ามีเขาเราไม่มีเขาอันไหนจะดีกว่ากันอ้าแล้วนะั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริกปเรณติสาคหลังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรณตุสังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณิโชติ อระโสยะาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายโสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวาทนติอายุวโนสุขัง พาลาังการอยากได้หนังสือสุภาษก็ม า, าไปนะเพื่อจะได้เลิกกับแฟนได้ถ้ามีปัญหากับแฟนเล่ามาหนังสือสุภาษไปดูมีคําถามไหมมีต่างชาติไหมเอาเลยถามดูคําถามจากคุณมะลิทาไมลูกที่พ่อแม่เลี้ยงมาดูเหมือนกัน จึงรักและปลับแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่เท่ากันหรือพราะเขาปล่อยวางได้มากกว่าแต่ละคนก็มาจากคนละที่กันไงคนที่มาเกิดกับพ่อแม่คนเดียวกันเนี้ไม่ได้มาด้วยกันเป็นคนนึงมาจากภูเก็ตอีกคนนึงมาจากเชียงใหม่แล้วมาได้ร่างกายของพ่อแม่คนเดียวกันเป็นพี่น้องกันอ่คนที่ภูเก็ตชอบกินเหล้าชอบเล่นกนรารพนันคนที่เชียงใหม่ชอบทําบุญ เพราะว่าเขาถูกชาติก่อนก็ถูกสอนให้ทําอย่างนั้นชาติก่อนคนที่อยู่เชียงใหม่อยู่กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีสอนให้ลูกรู้จั ก, จกทําบุญให้รู้จักเสียสละมีความกตัญญูอันนี้มันก็จะติดมากับเขาครอบครัวไอ้คนที่อยู่ภูเก็ตมันก็พอ่อครอบครัวก็ชวนให้ไปเล่นการพ น, นันให้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็ติดนินสัยนั้นมาพอมาเกิด กับพ่อแม่คนเดียวกันพี่น้องเป็นพี่น้องกันเพราะนันก็แบบมันเหมือนกันแค่หน้าตาเท่านั้นน่ะร่างกายน่างกายนี้มาจากพ่อแม่แต่ใจนี้มันไม่ได้มาจากพ่อแม่อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงว่าใจมาจากกรรมกรรมก็คือการกระทําต่างๆที่เราทํามาในชาติก่อนเนี่ยเราก็ทําอะไรมามันก็จะติดเป็นนิสัยมาเคยมีความกระตันอยู่มันก็จะติดมาเคยไม่มีไม่มีความกระตันอยู่มันก็ไม่มีติดมา นี่ยมันจึงทําให้คนเราถึงแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดเนื้อนิสัยใ จ, ใจคอไม่เหมือนกันคําถามจากคุณแก้วตาถ้าเราทําสังฆทานกับพระที่ไม่ค่อยปฏิบตัติกับทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกรรมฐานอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันเจ้าค้าคือบุญมันต้องเข้าใจว่ามันมีสองส่วนเวลาที่เราทําบุญเนี่ย บุญที่เกิดจากการให้ของเรานี้ทำให้กับใครเหมือนกันนะอย่างได้มากได้น้อยอยู่ที่เราทำมากทำน้อยคือความรู้สึกทางใจเราเนี่ยเราทำมากเสีสละมากเราก็มีความสุขใจมากเสสละน้อยมันก็มีความสุขใจน้อยอันนี้ไม่ว่าจะทำกับพระดีไม่ดีทำกับโยมก็ได้ทำกับแมวกับหมาทำกับนกกับปลาก็ได้อันนี้มันอยู่ที่ใจเรา มันอยู่ที่ใจเราที่เราทําเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขช่วยเหลือเขาแล้วการความเมตตาของเรานี่มันทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาความเสียสละนี่มันทําอันนี้ทำกับใครได้เหมือนกันมดมากน้อยอยู่ที่ปริมาณที่เราทำํำเหมือนกินข้าวอันนี้เหมือนลักษณะเหมือนกินข้าวกินมากก็อิ่มมากกินน้อยก็อิ่มน้อยควาความสุขใจอิ่มใจเนี่ยส่วนนี้อีก ส่วนสิ่งที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทำบุญด้วยนะั้นก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะมีอะไรให้เราหรือเปล่าถ้าเราทำบุญกับพระที่ดีเราอย่างน้อยเราก็สนับสนุนให้เขาได้ไปทำงานของหน้านางานของศาสนาดูแลศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถ้าไปทำบุญกับพระไม่ดีก็ไปทให้ไปช่วยทำให้ศาสนาเสื่อมอันนี้ก็เป็นผลที่จะได้จากการทำกับคนต่าง คนดีแล้วคนไม่ดีแล้วทีมั่งจะทําทําบุญกับคนดีหรือทําบุญกับคนที่ถ้าเราต้องเลือกเราก็เลือกทํากับคนดีแต่ถ้าจําเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเราก็ไม่เลือกเช่นเวลามีน้ําท่วมไฟไหม้เราก็ไปช่วยกันแต่เราก็ช่วยในระดับที่พื้นฐานให้เขาอยู่รอดแนะแต่ตำรวจไปจับผู้ร้ ย, ยิงผู้ร้เจ็บบาดเจ็บก็ยังต้องเอาไปรักษา อใครเปิดม้องแข่งกันนะผีมาแล้วเนี่ยาการสมัยก่อนเขาเรียกผีมาแล้วเนี่ยดยินเสียงตัวเองก็กลัวนะนะวะนั้นมันก็ต้องดูว่าเราต้องการอะจับบุคคลที่เราทําบุญนะท่านเราไปทําบุญกับพระที่ที่นี่มาทําบุญที่นี่แล้วก็ได้มาฟังเทศได้มาถามต่อปัญหาธรรม ก็ได้บุญอีกอย่างนึงบุญที่เกิดจากการได้ฟังธรรมบุญที่ได้เกิดจากการสนทนาธรรมอันนี้ก็จากถ้าไปทำกับพระที่เขาไม่เทศเราก็จะไม่ได้หรือมาทำกับพระที่เทศแต่ไม่ฟังบางคนมาถวายข้าของเสร็จรับพรเสร็จก็ไปแล้วอันนี้เขาก็ไม่ได้อะไรจากการฟังเทศฟังธรรมค่ะำ ถ, ถามจามกคุณเดือนข้อที่สองถ้าเราทบุญกับพระต่างจังหวัด ที่ท่านไม่ค่อยได้ปฏิบัติแต่ว่าท่านกําลังอาพาธอยู่กับทําบุญกับพระกรรมฐานอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันใช่ไคมคะก็เหมือนกันไงก็เลยกับอธิบายให้ชัดอยูแล้วว่าบุญที่เราทํำทำละทยก็เหมือนกันทำร้อยบาทกับพระป่วยกับธรรมะร้อยบาทกับพระปฏิบัตินั้นก็ได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันส่วนพระที่เราไปทํานั้นก็จะไปทําอะไรนั้นก็อย well, ู่ที่ต pues claro. ัวเขาความสามารถของเขาพระป่วยเขงทําอะไรไม่ได้ ก็ต้องหาให้ป่วยก่อนถ้าเป็นพระดีหายป่วยเขาก็ไปทําความดีต่ออหรือถ้าไปทําแล้วเขามีธรรมะเขาบอกเนี่ยดูเราเนี่ยเราต้องแก่นี้ต่อไปคุณก็ต้องแกะนะ่นะออ่าเขาก็สอนธรรมะให้กับเราการที่เราฝันเห็นญาติที่ร่วงรับไปแล้วหมายถึงว่าเขาสามารถรับบุญที่เราทิดให้ ไ, ไปได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะมันก็เป็นได้สองกรณี ถ้าเราไปคิดถึงเขาฝันฝันแปเว่าเราคิดถึงเขามันก็ไม่เกี่ยวกับเขาเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเราของเราแต่ถ้าเราถ้าแต่ถ้าเขามาเข้าฝันเราแสดงว่าเขาอาจจะมาบอกเราว่าเขาได้รับบุญที่เราอุทิศไปแล้วก็ได้ถ้าเราทําบุญอยู่กรุงเทพอุทิศบนกุศลให้ที่กรุงเทพญาติเราที่เสียชีวิตที่ต่างจังหวัดจะเข้ามาอนุโมทนาบุญกับเราได้ไหมคะ ก็ เ, เคยได้ยินมาว่าวิญญาณต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพไม่ได้เพราะมีพระแก้วมรกตไม่จริงหรอกไม่เกี่ยวกันวิญญาณมันไปได้ทุกคนทุกแห่งถ้ามันจะไปอี่างที่มันจะไปหรือเปล่าท่านเองบางทีมันจะไปมันอาจจะไปไม่ได้เพราะกําลังของบุญของบาปมันเปลี่นตัวดึงไปยอมมาบานารับตัวไปแล้วเวลาตายไปอยากจะมาเยี่ยมญาติก็มาไม่ได้บางที ถ้าถูกอนุภาพของบุญของบาปดันไปนอกจากว่าเรามีกำลังมากกว่าอนุภาพของบุญของบาปแล้วก็ยังจะมาหาคนที่เรารักคนที่เราชอบได้หรือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบได้ yeah. คําำถามจากคุณไทย แ, นแลนด์เวลานั่งสมาธิตาทั้งสองข้างกระตุกเหมือนหลับตาไม่สนิทแต่ก็สนิทอยู่ครับแต่ทำไมตากระตุกครับ พระอาจารย์ครับถ้าเรายังนอนกับภรรยาอยู่เราปฏิบัติธรรมสมาธิเราจะเกิดใหมครับและเวลาทําสมาธิทําไมบางวันนั่งได้นานแต่บางวันนั่งได้นิดเดียวครับอ่าอังค่อนหนออึ่งการตากระตุกก็เพราะว่ามันก็เรื่องของตามันมันจะกระตกก็เรื่องของมันแล้วหลับตาแล้วก็จบมันจะตกบ้างไม่กระตุกบ้างบางทีเปนเรื่องของประสาทประสาทอะที่เราควบคุมไม่ได้นะ ก็ปล่ไปเราไม่ต้องสนใจเวลานั่งสมาธิเราหลับตาล้วใค่สนใจอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกอาการอย่างอื่นอย่ า, ยาไปสนใจเนี่ยข้อที่สองถือศีลไม่ถือศีล น, นอนกับภรรยาแล้วไปนั่งสมาธิมันทําพร้อมกันได้หรือเปล่านอนกับภรรยากล้นั่งสมาธิมันทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่นอนภรรยามันจะไม่มีแรงหลังจากนอนเสร็จมันก็อยากจะนอนต่อ แต่คนที่เขาถือศีลแปดเขาไม่นอนกับภรรยาเขาก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้ดังั้นคนที่ถือศีลแปดย่อมนั่งสมาธิได้ผลดีกว่าคนที่อนอนกับภรรยาหรือสา ม, มีแล้วข้อที่สามมีหมดทำไมบางครั้งนั่งได้นานบางครั้งนั่งไม่ได้นานอ๋อมันก็ขึ้นอยู่กับสองอย่างสติเราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันมีมากหรือ ม, มีน้อย มีเรื่องวุ่นวายมากมันก็สงบยากมีเรื่องวุ่นวายน้อยมันก็สงบได้เาะั้นมันมีทั้งสติที่อยู่ในตัวเราเองกับเหตุการณ์ที่เราต้องไปประสบพบเห็นมันบางอย่างมันค้างค้า ง, งอยู่ในใจนานถ้าเป็นเรื่องที่เราลากักเราหวงนี่มันจะอยู่กันในใจเรานา น, านมันถึงลบมันออกยากคำถามจากคุณพรกระหนก เวลาขับรถแล้วสวดมนต์ไปด้วยนั้นสมควรทำหรือไม่คะก็ไม่ควรหรอกควรจะดูรถมากกว่าดูถน น, นเดี๋ยวมัวแต่สวดเดี๋ยวเกิดใครตัดหน้าใครมาก็เด็กไม่อยู่อะเห็นเวลาขับรถควรจะให้มีสติอยู่การขับรถเป็นหลักแต่ถ้าขับไปร้อใจอยังฟุ้งซ่านโกรธคานั่นเกลียดคานี้อยู่ก็สวดไปเพื่อดับความฟุ้งซ่านนั้นได้ แ ต, แต่อย่าทิ้งจากการดูรถต้องถือว่าการขับรถนี้เป็นสติหลักส่วนสติลังก็คือกาจัดความคิดต่างๆที่มารบกวนใจในการขับรถด้วยการสวดมนต์ไปด้วยการบูกรกรรมพุทโธไปก็ได้แต่ยังต้องเฝ้าดูการขับรถอยู่คาถามจากคุณจลัดเชียงใหม่ช่วงนั่งสมาธิรู้ตัวเอาใจอยู่ในร่างกายตลอด แต่ไม่เคยถึงอัปนาสมาธิเลยแบบนี้พอถอนจากสมาธิมาพิจารณาธรรมจะมีกำลังใจพอจะตัดกิเลสได้ไหมครับก็ลองถามยูซิไม่งั้มันออกมาถามเราเลยออกมาจากสมาธิก็ลองพิจารณาดูว่าพิจารณาได้ไหมได้นานหมเรื่องว่าพิจารณาไม่ออกดูออกสุภาษได้หรือเปล่าดูความตายได้หรือเปล่าดูปฏิกรลได้หรือเปล่าคําถามจากคุณอรไทย เข้าใจว่าเหตุที่เกิดในชีวิตนี้เกิดจากกรรมในอดีตและปัจจุบันชาติและเชื่อว่ามีเจ้ากรรมในเว ล, ลายาบกหลายชาติหากทาบุญทำํำกุศลเรื่อยๆและอุทิศให้ทุกวันจะทราบได้ไหมเจ้าคะว่าเขาอนุโมทนาและยกโทษให้เราแล้วถ้าเขาติดต่อกับเราได้เราก็จะทราบถ้าเขามาเข้าฝันเ ร, เราขออนุโมทนาเราก็จะทราบแต่เขาไม่มาติดต่อเราก็ไม่ทราบจากคุณจลัดเชียงหวาอีกหครับ เราอยู่ประการสวดมนต์ในใจตลอดเวลานี่ได้สวดเพื่อความผางแต่สวดเพื่อลดความคิดลงแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องจากคุณวรนันท์ค่ะอยากทราบว่าการเล่นหุ้นเป็นการพนันไหมคะขิดสีใหม่คะก็เราแต่ว่าเล่นเล่นแบบพ น, นันเรือว่าเล่นแบบลงทุน<ม>เล่นแบบลงทุนก็ซื้อแล้วก็เก็บมาไว้เมื่อคุณที่มีผลตอบแทนดีแล้วก็รอปันผลรออะไรไป ไม่ใช่มารอดูราคาขึ้นลงเช้าเย็นแล้วก็อย่างนั้นก็ลักษณะเล่นแบบการพนันเหมือนเกง mm hmm. เกงกำไรเห mm hmm. มือนซื้อ mm hmm. หวยวันนี้จะออกเลขอะไรอันนี้ก็แบบเดียวกันซื้อหุ้นแบบเกงกำไรแบบซื้อ mm hmm. หวยก็เป็นการพนันไปคำถามจากคุณพีรยาแล้วเราเริ่มแก้ที่ายจากชาติอดีตได้จากการศึกษาธรรมะเพื่อส่งผลไปยังชาติหน้าได้ไหมเ้าค เพือหลกเลี่ยงความเจ็บปวดเดิมๆที่เราต้องรับกรรมในชาตินี้ก็ศึกษาแล้วเราก็ต้องปรับริษสัยเราริษสัยมัที่ไม่ดีแล้วก็ต้องปรับมันอย่าไปทํามันเช่นความอิจฉ้าริษยานี่ก็ต้องหัดเลิกมันเสียอย่าไปอิดช้าลิษยาความโลภความอยากต่างๆนี่ก็ต้องเลิกมันแล้วท่าหน้ามันก็จะดีขึ้นเองปัญหาของเราอยู่ที่ความโลภความรักความชังความกลัวความหลงนี่ทั้ง ถ้าตัดตัวเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปทำเวรทากรรมอะไรกับใครคำถามจากคุณอาแซมขอพระอาจารย์ให้โปรดชี้ทางทมตอนนี้เห็นเพื่อนๆที่เริ่มทำงานมาพร้อมๆกันเขาจเจริญก้าวหน้าได้ยศได้ตาแหน่งเพิ่มกันแต่เรายังอยู่กับที่ก็เกิดความอยากจะได้ยศได้ตำแหน่งแบบเขาบ้างจะหกลอุบายวิธีใดมารับมือกับปิเลชนิดนี้ได้บ้างครับ ก็ถามตัวเราเองว่าเราขยันเหมือนเขาหรือเปล่าเราฉลาดเหมือนเขาหรือเปล่าเราเก่งเหมือนเขาหรือเปล่าแล้วเราเรียเรียเป็นหรือเปล่าเพราะบางทีคนมันเจริญมันเจริญได้หลายรูปแบบใช่ไหมเจริญเพราะเรียนก็มีเจริญเพราะฉลาดเพราะเก่งก็มีเจริญเพราะขยันก็มีเดี๋ยวเราก็ต้องดูปัจจัยเหล่านี้ว่าเรามีหรือเปล่าถ้ามีแล้วยังไม่เจริญก็ถือว่า ยังอาจจะไม่ถึงเวลาเหมือนเราเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้ในวันนี้ะจะให้มันออกดอกออกผลทันทีทันใดก็ไม่ได้อาจจะต้องทำไปนานหน่อยถึงจะได้ดอกได้ผลขึ้นมาก็ต้องอดทนข้อสำคัญก็อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะจะทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วจะทำให้หมดกำลังใจ <c oughs> ก็ต้องทำต่อไป ต้องทำเหตุไปเรื่อยๆปลูกต้นไม้ก็คอยลดน้ำพวนดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวปันดีเกิดดีมันก็จะออกดอกออกผลออกมาเองคำถามจากคุณสุพันธ์นีค่ะการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโพธิจิตต้องผ่านสภาวะดาใดบ้างคะไม่รู้เป็นโพธิจิตเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราลองเล่าให้ฟังหน่อยิโพธิจิตทุกในอินวันนี้ถ้าไมยถึง โพลแปลว่าการตัดสลูก็การตัดสลูของจิตะจิตจะตัดสลูได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาะต้องผ่านศีลต้องรักษาศีลได้รักษานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วมีปัญญาเห็นใจรักเห็นอสุภะได้ก็จะจิตก็จะเป็นโพทิจิตขึ้นมาวัานนี้นะดีจะได้พักบ้างเหมือนนั่งมวย ต่อยมากเดี๋ยวก็ต้องหยุดพักเดียวอครับยินดมน้ําอะไรก่อนเดี๋ยวเขาก็ส่งข้อความเข้ามาใครอยากจะถามตอนนี้ถามได้นะคิวไม่ยาวคิวสั้นละบางคนบ่นไม่กันส่งมาเท่าไหร่ไม่เคยตอบเลยเพราะคิวมันยาวอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลยคนที่อยู่ศาลามาเยอะมีคําถามเยอ ะ, ะเลยตอบให้กับคนที่บนศาลาตลอดเลย คนอยู่ทางบ้านนี่ไม่มีโอกาสได้ถามเลยก็มันก็อย่างนี้แหละคนที่เข้ามาที่นี่มันมายากกว่าคนที่อยู่ทางบ้านคนที่ทางบ้านเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถามได้มันแต่คนที่เข้ามานี่ก็ต้องเดินทางมาไกายเข้ามาถามก็เลยตอบเขาก่อนเอาถามไปเลถภาหาจะเป็นไครแลนเวลานั่งสมาธิไปทําไมน้ําลายเยอะจังครับ พอไม่นั่งก็ธรรมดาแต่พอนั่งไปน้ําลายไม่รู้มาจากไหนก็เราไปคิดถึงมันมันก็มาอย่าไปคิดถึงมันคือนั่งให้ดูลมให้ให้คิดอยู่กับลมแล้วคิดอยู่กับพุทโธเราไม่คิดเราไปคิดถึงน้ำลายมันก็ยิ่งมาใหญ่ถ้ามันมาก็ช่างมันมันหบ่มันอยากจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปอย่าไปขยับอย่าไปสนใจเคิดว่าเป็นเด็กเอ๋อสักชั่วคราวก็แล้วกันปล่อยให้น้ํามันน้ลายมันไหลไปเราก็ดูลมไปพุทโธไป ถ้าเรามากังวลกับน้ําลายหลายจะไปไม่ได้มันจะติดตรงนั้นอ่ะมันเป็นอุปสรรคอย่างนึงเป็นนิวรณ์อย่างเวลาเราเริ่มนั่งแล้วอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวอ่มันจะคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ช่างมันน้ําลายมันจะไหลก็ช่างมันอาการอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจรับรู้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามจากคุณนันทชาพรเราจะดึงจิต ด, ดึงใจให้ออกจากอารมณ์เศร้าหมองได้อย่างไรเจ้าคะ่ะบางวันนึกถึงอดีตก็โกรธเจ้าคะ่ะก็ใช้สติไงสติเกิดขึ้นได้ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเวลาโกรธใครก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ถ้าเราโกรธเดี๋ยวเราก็จะลืมอตอนนี้เราลืมคนที่เราโกรธไปแล้วไงพวกเราทุกคนนี่มีความโกรธ มีความเกลียดคนนั้นคนนี้อยู่แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวไปเห็นหน้าเขาเมื่อไหร่ก็โผล่ขึ้นมาได้ใหม่เห็นเวลาเราโกรธเพราะคนนั้นคนนี้เราก็อย่าไปคิดถึงเขาคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวไม่นานห้านาทีมันก็ลืมล่ะความโกรธก็จะหายไปอารมณ์ต่างๆสามารถดับได้หมดด้วยพุทธโธเั้นต่ออันนี้ต้องหัดพุทธโธก่อน พอถ้าไม่หัดไว้พอถึงเวลาจะพุโทโธมันพุโทโธไม่ออกเหมือนคนที่จะวิ่งเนี่ยถ้าไม่หัดวิ่งก่อนพอถึงเวลาจะวิ่งมันวิ่งไม่ออกเพราะมันไม่ได้ซ้อมมันไม่มีกำลังคนที่จะวิ่งมาราทอนได้เนี่ยวันที่สิบนี้เขาจะมีะมีใจปลาย ป, ปีทาประจําปีปีที่แล้วก็จัดที่นี่ปีที่แล้วกลุกขักนิดหน่อยเพราะตอนต้นเขาจะปิดถนนหมด ทางทางวัดเราก็เลยโวยวายไปว่าแล้วพระจะออกไปบิณฑบาตได้ยังไงเขาก็เลยมาเปลี่ยนใหม่เขาจะปิดเป็นช่วงๆช่วงที่มีรถจะวิ่งผ่านเขาก็จะเป pues mm ิดให้วิ่งผ่านได้ช่วงที่ไม่มีรถเขาก็จะปิดเหมือนกับรถไฟอย่างเงี้ยเวลารถวิ่งมามีรถไฟเราก็เขาก็จะปิดเนาะเวลาพวกกระโจนนักวิ่งกระโจนจักรยานเข้ามาเขาก็จะปิดทางไว้ชั่วคราว รกระบวนนักวิ่งจักรยานผ่านไปเขาก็จะเปิดสลับกันไปนวันที่สิบนี้ไทยสนใจก็มาดูได้สายกีทาเริ่มต้นแต่ละเช้าวัาหกโมงวายน้ำก่อนว่ายเสร็จแล้วก็จะมีการวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็ขี่จักรยานในข่าวว่าจะมีเจ้านายมาด้วย ก็เข้ากันในเตรียมการอย่้วนี้ถนนถนนเริ่มสะอาดแล้วล้างกันซะอเหมือนมีผักชีมาแล้วค <c oughs> ่ะคำถามสากุลาวันจิตว่างกับอุเบกขาเป็นอันเดียวกันใช่ไหมคะนั่นแหละก็ว่างจากความรักชังกลัวหลงเนี่ยถ้ายังมีรักชังกลัวหลงอยู่ก็เธอยังไม่ว่างถ้าไม่มีรักชังกลัวหลงนั่นมันก็จะว่าง แล้วมันจะไม่มีอะไรเพราะสิ่งที่การที่จะมีอะไรได้มันต้องมีรักชังโกหลงก่อนพอรักมันก็จะไปหาสิ่งที่เรารักนะพอชังมันก็จะเขี่ยของที่เราชังไปอถ้าเราไม่มีรักชังโกหลงแล้วใจเราก็จะไม่มีอะไรจะว่างจะเบาจะสบายจะมีความสุขแต่มันยากเหลือเกินทําให้มันว่างเนี่ยมันไม่ยาม ว, ว่างมันคิดตั้งแต่ตื่นมาจนหลับเลย เราถึงต้องใช้พุทโธพุทโธทำให้มันว่างชั่วคราวก่อนเพราะมันจะคิดกับพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปใช้ปัญญาเวลามันจะรักก็ให้ใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เรารักมันเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่เที่ยงเวลาชังก็บอกว่าสิ่งที่เราชังเราไปห้ามมันไม่ได้นะไปขับไล่มันไม่ได้มันจะอยู่ก็ต้องปล่อยมันอยู่มันจะไปก็เดี๋ยวมันก็ไปเอง ถ้าต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันไปเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บแล้วจะไปชังให้มันหายนี่มันไม่มันไม่ยอมหายหรอกถ้าอยากให้มันหายแล้วมันจะทุกข์ถ้าอยู่กับมันเฉยๆอย่าไปชังมันมันก็จะไม่ทุกข์มันยากตรงนี้มันทฤษฎีมันง่ายทําใจให้ว่างไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใครทําได้บ้างมาช่วยมาบอกหน่อย คำถามจากคุณแม่บุญมีลุงของหนูสวดมนต์ทุกวันบทละเก้าจบทั้งชัยมงคลคาถาชิงบัญชรพระไตปิโดแต่บางสิ่งเกิดขึ้นคล้ายมีคนกว้างหลังเคาะหน้าต่างเอาไม้มาขีดข้างบ้านพอออกมาดูก็ไม่เห็นใครควรจะเลิกสวดมนต์ไหมคะมันไม่เกี่ยวอะไรสวดเป็นสวดมนต์เพื่อให้ใจว่างใจสงบส่วนใครจะมาขีดมาขีดนรอเราจะไปรับรู้อะไรก็ให้ดูไปตามความเป็นจริง ว่ามีก็มีไม่มีก็ไม่มีแท่นั้นเองคำถามจากคุณมงคลทุกขเวทนากับการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอใช่หรือไม่ครับมีผู้ที่ข้ามเวทนาไปได้รดอไม่เคยสวยทุกขเวทนาเลยบ้างหรือไม่ครับทุกคนเกิดมาต้องสวยทุกขเวทนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องสวยก่อนจนกว่าที่จะมีธรรมะที่จะทาให้ใจสงบได้ ทำใจเป็นอุเบกขาได้ก็จะไม่สวยทุกขเวทนาคำถามจากคุณโกมินโฮคนแก่เวลากลับจากทำบุญที่วัดจะเอาเข้าวเหลือจากทำบุญวางไว้ตามโคนไม้ทำเพื่ออะไรครับก็ให้แมวให้สุนัขให้อะไรสัตว์ที่มันหากินอยู่เขาก็จะได้มีอาหารกินเป็นการทำทานไป ไอ้มดบางทีมดมันก็สายข้าวเครื่องที่เราโปรอยอยู่ตามต้น้อยตามดินอะไรนี่มันก็หากินยังไปถ้ามีมดอยู่แล้วนั้นมันก็กินได้คํถาถามจากคุณมารีวันดิฉันรู้สึกว่าตัวเองได้ยินเสียงคนคิดค่ะเคยทดสอบตัวเองกับเสียงที่ได้ยินเป็นตามที่ได้ยินจริงควรจะทําตัวอย่างไรคะก็รู้ว่าเราได้ยินมันเราเปิดโทรศัพท์เปิดวิทยุขึ้นมาเราก็ได้ยินเสียงไม่เห็นตื่นเต้นตรงไหนเลย ใชม่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันเนะี้ยะเสียงผ่านทางโทรศัพท์ทางวิทยุหรือทางโทรจิตมันก็เสียงเหมือนกันก็รู้รับรู้ไปเท่านั้นเองมันก็ไม่มันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปนอกจากว่าเราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าเสียงนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าเสียงมันกระซิบบอกงวันนี้จะออกสองเก้านะกำลังไปดูด้วยว่ามันอันนี้มันไนะนนม่ให้หวยนะนึกยกตัวอย่างให้ฟัง จะไปทางผิดแน่ๆ ไ, ไม่รัดประจำมบอกอย่างนี้ก็ลองทดสอบดูเผื่อเสียงมันเสียงมันเสียงจริงอเลยว่าเราหูดีต่อไปถ้าได้ยินเสียงเรื่องหนึ่งจะได้ไปแทงได้ของเมื่องนี้มันไม่แน่ น, นะบางทีมันบอกว่าเราไปทางมันไม่ถูกก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเสียงจริงบางทีทางแล้วถูกมันก็อย่างคนบางคนก็แทงหัวยถูกเกือบทุ่งวดเลยไม่รู้ก็ถูกได้ไง ถ้ า, าจะมีฟังได้ยินเสียงอะไรข้างในใจเขาหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวลอยมีท่านาทีก็อยากจะถามอะไรไม่แถวนี้ หนังสือเรามีห น, นังสือธรรมะที่เราแท้ น, นี่ละ่ะก็ให้เข้าไปลองลองหยิบไปให้เขาอ่านดูแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะมันไม่มันเป็นแบบพูดแบบทั่วไปพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเเรื่องค่าตัวตายนี่มันมันไม่มีหรอกมันเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะ ให้คำกระจ่างได้นอกจากศาสนาพุทธศาสนาบอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปท่านนั้นเองอย่ากไปทําบาปฆ่าคนอื่นและฆ่าเราก็บาปบาปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปกลับมาเกิดใหม่มีปัญหาทีไรก็จะฆ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาไป<ม>ก็มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เขาอาจจะเข้าไปอ่านได้ 去 access to insight หนังสือชื่อว่า access a c c e s s access to insight n i s i g h t อันนี้จะมีพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้ามีหนังสือของพระปฏิบัติสายพระสายวัดป่าเป็นภาษาอังกฤษให้เราลองเข้าไปดู เจะไปฟังธรรมะของเราภาษาอังกฤษก็กใน YouTube Search คำว่า Dhamma in e n g l ก s h ก็จะมีเนี่ยเวลาใครมาถามภาษาอังกฤษเขาเดี๋ยวจะมีคนเขาตัดออกไปใส่ไปในในช่องภาษาอังกฤษเขาก็เข้าไปดูได้มีคำถามคำตอบเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อจะอาจจะดูแลอาจจะได้อะไรบ้างก็ได้ยูทู u ดัมมะดีเอชเอมม ดัมมาอินอังกฤษนะยูทูบนะช่องช่อง u ูทเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเขาเข้า Facebook ได้แล้วก็มีโพสภาษาอังกฤษเป็นเป็นโพสเป็นเป็นตัวหนังสืออ่านอันนี้เรียกว่าดมะดมะ for the asking อันนี้ต้องเข้าไปเสิร์ชในในเฟซบ o o กนะเนะขาไม่มีเฟซก็ไม่ต้อง มีคําถามเข้ามาไหมมีค่ะ อ, ะอะเวลานอนดูลมหายใจไปเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราหลับเวลาหายใจออกหรือหายใจเข้าดูๆไปมีแต่หลับเลยก็นั่นแหละมันก็ <c oughs> เวลานอนมันท่านอนมันไม่ได่เป็นท่านั่งสมาธิมันเป็นท่าที่จะไม่รับรู้อะไรเห็นนอนจะไม่รู้เวลามันดับไปไม่นิยมนั่งสมาธิในท่านอนเพราะนั่งท่านอนแล้วมันจะหลับ ถ้าอยากจะให้จิตสงบแล้วยังรู้อยู่นี่ต้องนั่งในท่านั่งเวลาจิตสงบนี่ถ้าเราไม่หลับเราจะรู้ว่ามันสงบถ้าเราหลับพร้อมๆกับมันก็แสดงว่าเราไม่มีสติมันก็จะไม่รู้ว่าเราจิตสงบบางคนนั่งแล้วหลับก็คิดว่าจิตสงบนั่งไม่ต้องนานดูนาฬกาโอ้ต้องชั่วโมงเลยแต่ไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปไม่รู้ ถ้ามันสงบจริงๆมันจะรู้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งเราอยู่ดีๆแล้วก็หยุดหยุดพูดคุยกันแต่เราก็ยังรู้ว่าเราเราเราหยุดพูดคุยกันแต่ถ้าเวลามันหลับมันไม่รู้ว่าหยุดพูดคุยกันเมื่อไหร่มันต่างกันตรงนั้นอยู่ที่ต้องรู้เรือไม่รู้สึกตัวหมดแล้วนะโอเคก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิรุปปิจณ า, าไปปฏิบัติ